เรืหลอนๆน่ากลัวน่ากลัวต่อไปนี้นะคะบีได้นํามาจากเว็บไซต์พันทิปนะคะที่ถูกตั้งขึ้นโดยสมาชิกหมายเลข2960503นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปอบค่ะคุณผู้ฟังปอบที่ว่านี้เนี่ยจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวคุณผู้ฟังก็ลองฟังดูก็แล้วกันนะคะเรื่องนี้ถูกเขียนไว้แบบนี้นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพอดีเราเป็นคนชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอยู่แล้ว วันนี้ตั้งใจเอาประสบการณ์ที่คุณแม่พบเจอมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นยายทวดของเราป่วยยายก็เลยพายายทวดเนี่ยนั่งรถบัสไปหาหมอในตัวเมืองพอกลับมาถึงบ้านยายทวดก็เอาแต่นอนสมไม่ยอมพูดยอมจากับใครเอาแต่นอนลูกเดียว อยู่มาวันนึงค่ะพ่อของเจ้าของเรื่องเนี่ยลุกขึ้นมาชงนมให้ทารกน้อยนั่นก็คือเจ้าของเรื่องนะคะซึ่งตอนนั้นยังคงเด็กอยู่กลางดึกเวลาประมาณตีหนึ่งได้นะคะขณะกําลังชงนมแล้วก็เขย่าวขวดนมไปมาพ่อก็ต้องสะดุ้งตกใจสุดขีดเพราะว่ายายทวดคนแก่ที่เอาแต่นอนซมมานานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลุกขึ้นยืนตรงหน้าพ่อดวงตาแดงก่ํายืนเท้าเสเอลอยู่ในความมืดถามพ่อว่าทําอะไรนะ่ะ พ่อก็เลยตอบเสียงไม่สู้ดีนะักบอกกำลังชงนมอยู่ครับพร้อมกับก้มหน้าและก็วิ่งมาที่ห้องนอนด้วยอาการตื่นกลัวคืนนั้นกับพ่อบอกว่านอนไม่หลับทั้งคืนเพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆแววตาคู่นั้นนี่ยังจําได้ไม่เคยลืมแต่ว่าพ่อก็เก็บอาการมาจนถึงเช้าก็เลยตัดสินใจเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ให้แม่ฟังก็เลยบอกกับแม่ไปบอกแม่แม่แม พ่อว่าไม่ปกติแล้วล่ะเมื่อคืนเห็นย่าลุกขึ้นมาจ้องตานี่แดงเชียวพอแม่ได้ยินแบบนั้นค่ะความกลัวก็เข้าครอบงำทันทีเพราะว่าแม่ต้องเป็นคนหาข้าวให้เย่าถย้วดกินทุกวันนะหลังจากนั้นก็เริ่มมีชาวบ้านรวมทั้งเพื่อนบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลก็บอกเรานะว่าเห็นยายท้วดเนี่ยคือคือมาบอกยายนะคะบอกว่าเห็นยายท้วดไปกินไก่บ้างบ้างก็เดินอยู่ตามทุ่งนาที่ห่างจากบ้านเป็นหลายกิโลจนป้ามอยค่ะเพื่อนของ ของยายนี่แหละเพื่อนบ้านของยายเนี่ยบอกกับยายบอกว่าฉันว่าแม่แกน่าจะโดนผีปอบเข้าแล้วล่ะไปหาหมอผีมาปราบดีกว่าทั้งแม่ทั้งยายก็คิดเช่นนั้นอยู่เหมือนกันพวกเขาไม่รอช้าค่ะต่างก็ช่วยกันเตรียมตัวไปหาคนมีวิชาอาคมมาปราบแล้วก็เย็นวันนั้นเองหลังจากคุณยายคุยกับป้ามอยเสร็จแม่ก็เอาข้าวไปให้เยทวดตามปกติเหมือนเช่นเคยแต่ว่าอยู่ๆค่ะคุณผู้ฟัง ทวดก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เอามือสองข้างจับแขนแม่ไว้ซึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ได้วางสำรับอาหารนะคะใหญ่ยยทวดพูดว่ากูได้ยินพวกมึงคุยกันจะเอาใครมาปราบผีวะแม่ตกใจสุดขีดสติเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะปล่อยสำรับอาหารหลุดมือวิ่งไม่คิดชีวิตร้องไห้ไปตลอดทางเรื่องนี้ก็เริ่มขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยจนมันมีแต่คนกลัวนะคะแล้วก็ดึกๆเนี่ย ไม่มีใครกล้าผ่านหน้าบ้านยายทวดเลยทั้งๆ ท, ที่บ้านก็อยู่ติดถนนมีรถโดยสารผ่านแต่มันก็ดูเงียบดูวังเวงไปหมดแล้วลุงก็เป็นคนรู้เรื่องนี้และด้วยความที่ลุงแกเป็นเซียนพระเครื่องไงสะสมพระไว้มากส่วนจะมีคาถาอาคมหรือเปล่าแม่ก็ไม่กล้าฟันธงนะคะหลังจากแกรู้เรื่องค่ะแกก็เดินทางมาที่บ้านแล้วก็อาสานอนเฝ้ายายทวดเองจะได้คอยดูแลยายทวด เพื่อที่จะไม่ให้ทวดเนี่ยลุกไปไหนเพราะว่าเยท้ทวดจะลุกขึ้นหรือทำอะไรได้ก็ต่อเมื่อมีคนเผลอเท่านั้นแต่ว่าคืนนั้นลุงเอาพระมาห้อยคอไว้10กว่า อ, องค์เห็นจะได้นะคะพร้อมกับพนมมือท่องคาถาแล้วก็เข้านอนที่นอนของลุงกับเย้ทวดเนี่ยจะห่างกันประมาณสัก5้าเก้าเศษเท่านั้นกลางมุ้งใครมุ้งมันส่วนแม่และยายนอนในห้องล็อกกรอนแน่นหนาเลยละค่ะ ในขณะที่นอนอยู่นั้นนะคะตอนดึกๆยายลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุมอยู่ในมุ้งลุงยายก็รีบเดินไปเอาไฟฉายมาส่องภาพที่เห็นคือยายทวดนี่แหละก็นั่งยองๆก้มหน้าก้มตาเหมือนกำลังจะเลียที่ท้องของลุงยายก็เลยตะโกนเสียงดังลั่นบอกทำอะไรนะ่ะเขาเ้าไปในมุ้งเขาทำไมกูเข้ามาตบยุงให้มันยายทวดบอกรีบออกมาเลยนะยายว่า ลุงแกตกใจตื่นลุกขึ้นรีบวิ่งไปเคาะประตูห้องแม่ค่ะบอกเ ป, เ, ป เ, เปิดเปิดเฮ้ยเปิดเร็วเแม่งจะเล่นกูซะแล้วลุงว่านะคะสรุปคืนนั้นลุงก็นอนที่ห้องแม่เช้ามาแกก็ขอตัวกลับกรุงเทพเลยค่ะทิ้งให้แม่แล้วก็ยายต้องเผชิญกับอะไรก็ไม่รู้ยายกับแม่ได้แต่รอค่ะทำใจดีสู้เสือเพื่อให้อยู่กับปอบได้อย่างสันติ ระหว่างที่รอหมอผีก็มีคนที่คิดว่าตัวเองไม่กลัวผีหรือว่าผีเนี่ยมันจะน่ากลัวมากแค่ไหนอะไรทํานองนี้แกชื่อตาส่งเพื่อนบ้านของยายนะคะอีกคนนึงแกก็อาสามานอนแทนลุงโดยปกติแล้วแกก็จะห้อยพระค่ะแต่ว่าคืนนั้นอยากลองหรือยังไงก็ไม่รู้แกนอนถอดพระแล้วก็ฝันใบบอกต่อสู้กับเย้าทวดจนโดนกัดเข้าที่หัวไหล่เช้ามาแกก็บ่นบอกว่าปวดไหล่มากพอเปิดดูค่ะปรากฏว่า เป็นรอยฟันทั้งสามสิบสองซี่เลยแต่ส่งช็อกมากเลยรีบคล้องพระปั่นจักรยานกลับบ้านทันทีเย่ทวดที่นอนอยู่ก็หัวเราะชอบใจกันไปนะคะจนพอหมอผีเดินทางมาถึงค่ะขณะนั้นเยทวดก็กำลังนอนอยู่เหมือนเช่นทุกวันก็ลืมตาขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรหมอผีก็จัดการเอาสายสินพร้อมกับมีดหมอออกมาจี้ที่หัวชาวบ้านต่างก็พากันมามุงดูแต่ทวดไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหัวเราะ อ, อย่างเดียว ถ้าวิชาไม่ถึงอย่ามายุ่งกับกูไม่งั้นกูเอาตายแล้วก็ถุยน้ำลายลงพื้นแม่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยสายตาของยายทวดนี่น่ากลัวมากค่ะจ้องทุกคนที่อยู่ตรงหน้าอย่างอาฆาตเท่านั้นเองหมอผีเห็นท่าไม่ดีก็บอกให้ไปตามคนอื่นเถอะวิชาเขาเอามันไม่อยู่กลัวมันจะตามมาเล่นงานก็เลยเพ่นแนบส่วนชาวบ้านที่เป็นไทยมุงค่ะอันตรธานเข้าบ้านใครบ้านมันเงียบแล้วยายทวดก็พูดว่า ถ้าเอาคนมาไล่กูอีกกูจะกินลูกของมึงตอนนั้นนะคะแม่กับยายกลัวมากกลัวถึงขนาดตัวสั่นเลยละะ่ะค่ะแล้วยายทวดก็ล้มตัวลงนอนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นยายกับแม่ก็ให้คนไปส่งข่าวให้ตาที่ทำงานอยู่นครสวรรค์ให้รีบกลับมาทันทีและก็บอกว่ายายทวดนี่ป่วยหนะักคุณตาได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปาน ะะซึ่งคุณตาเป็นคนที่นับถือหลวงพ่อปานมากมีรอยสักยันแผ่นเต็มแผ่นอกเลยแม่บอกว่าคุณตาเป็นคนมีวิชาอาคมชอบช่วยเหลือคนใครเจ็บป่วยมาหาแกนี่แกใช้เล่าขาวพ่นให้จนหายไปหลายคนหลายเคสแล้วแต่ว่าเรื่องปราบผีนั้นแม่ก็ไม่เคยเห็นสักทีนะคะตาก็มาถึงบ้านโดยไม่รู้ว่ายายทวดโดนผีเข้าเพราะว่ายายไม่ได้บอกก็กลัวตาจะไม่อยู่เป็นเพื่อนอีกก็เลยไม่ได้บอกไป ตาเห็นว่าเย้ทวดนอนซมก็เข้าใจแล้วค่ะว่าป่วยนะ่ะหวังจะไปถามถ่ายอาการก็พูดคุยแต่เย้ทวดกลับบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้กูอย่าเข้ามาใกล้กูพูดซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบตาก็เลยบอกเอ๊มันแปลกนะแม่ก็เลยกระซิบบอกไม่ใช่ทวดนะพ่อตาก็เลยพยักหน้าเหมือนรู้เป็นในๆตาถามแม่แล้วก็ยายค่ะว่าโดนมานานหรือ ย, ยังแม่ก็เลยบอกว่าตั้งแต่พาไปหาหมอกลับมาก็เป็นแบบเนี้ย แต่ว่าเวลานอนนะคือกลางวันเนี่ยนอนอย่างนี้แหละนอนสมพอกลางคืนเนี่ยออกไปหาอะไรกินตลอดแล้วก็ชอบกินอะไรแปลกๆชอบสั่งให้เอากระเพาะหมูเนื้อหมูสดๆเลือดสดๆเอามาติดบ้านไว้ตาก็ทำหน้ารุนคิดแล้วก็บอกว่าวันเมื่อืนให้แม่ออกอุบายพายายทวดไปอาบน้ำ ตาบอกว่าให้นั่งอาบน้ำหน้าบ้านนะหันหน้าออกจากตัวบ้านแล้วเริ่มอาบเวลาบ่ายสามโมงตรงทำซ้ำๆไม่ต้องรีบแต่ระหว่างที่ให้ยายทวดรออาบน้ำเนี่ยให้แม่ไปนอนทับที่ไว้แล้วก็ให้ไปหาบาดพระที่แตกมายัดไว้ใต้เสือ่อที่ยายทวดนอนไว้ซึ่งมันเป็นเคล็ดตาบอกแบบนั้นค่ะหลังจากนั้นตาก็เลยรีบเดินทางไปหาหมอผีที่สระแก้ว พอถึงวันที่ตาบอกอุบายของแม่ก็สำเร็จยายทวดรออาบน้าขณะนั้นนคะคะตามเวลาที่ตาบอกกล่าวไว้เลยแม่ก็เริ่มอาบน้าตาก็มาถึงพอดีพร้อมกับชายที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันชายคนนั้นใส่ชุดขาวท่าทางธรมัดรรแมงแม่เดา ว, ว่าคนนี้แหละคือหมอผีในมือของตาเนี่ยมันมีขวดน้ามนมาด้วย ตาเอาน้ำมนเทลงผสมกับน้ำที่ยายทวดใช้อาบส่วนหมอผีเนี่ยก็มีกระดาษเขียนยันไว้ด้านในตาบอกว่ามันเป็นยันกันผีออกเพราะกลัวว่ามันจะไหวตัวทันแล้วหนีไปพอคนแก่2คนอยู่กยใกล้ๆยายทวดก็มีปฏิกิริยาทันทีค่ะยายทวดเร่งให้แม่อาบน้ำเร็วๆแม่ก็ยกถังน้ำเทราดลงไปบนหัวเลยยายทวดบอกพวกมึงทําอะไรกูกูร้อนไปหมดแล้วเนี่ยหมอผีก็เลยพูดบอกว่า เป็นไงมาอยู่กับเขาได้ยังไงล่ะยายทวดก็เงียบไม่ตอบหมอผีก็เลยถามบอกชื่ออะไรมาได้ยังไงพร้อมกับพนมมือท่องอะไรสักอย่างนึงแล้วเอานิ้วไปแตะที่ตัวของยายทวดนะคะทวดก็เลยร้องออกมาบอกโอ้ยยอมแล้วบอกแล้วหมอผีก็เลยพูดคุยกันดีๆถามอะไรก็ให้ตอบห้ามโกหกไม่งั้นจะจับยัดหม้อกูอยู่ข้างทางกูขึ้นรถตามมันมามานานหรื อ, อยังล่ะนานแล้ว มันโง่มันเลี้ยงกูดีจังเลยแล้วจะออกได้หรือยังออกไม่ได้ขอเวลาหน่อยโดนหนามไผ่ทิ่มทะลุเท้าเดินไปไหนไม่ได้เลยบอกแล้วไงว่าอย่ากโกหกมึงไม่กลัวจริงนีกลัวแล้วจะออกแล้วอีกสองสามวันขอเวลาหน่อยบ้านนี้มันเลี้ยงดีไม่อดไม่อยากหมอผีก็เลยพูดไปบอกไม่ได้หมอผีรู้ดีนะฮะว่าปอบตัวนี้นี่มันเจ้าเล่ จากนั้นนะคะหมอผีก็ทำพิธีไม่เกิน20นาทีชาวบ้านที่มามุงดูเยอะแยะเต็มไปหมดจากนั้นร่างเย่าถ้วดก็นอนนิ่งไร้ลมหายใจเพราะว่าปอบมันกินจนหมดสิ้นแล้วตาบอกว่าครั้งแรกที่กลับมาแล้วเข้าไปใกล้เย่าถ้วดมันมีกลิ่นเหม็นมากสรุปคือทวดตายได้3เดือนละตลอดระยะเวลาสเดือนแม่และยายอาศัยอยู่กับปอบอย่างใกล้ชิดเลยก็ว่าได้แต่ก่อนที่ตาจะตามหมอผีมา ป้าก็มาจากกรุงเทพก่อนมานอนค้างเป็นเพื่อนแม่แกก็ฝันนะฝันบอกทวดเรียกให้ไปหาแล้วก็บอกว่ากูมีสมบัติจะให้พร้อมกำมือทั้งสองข้างยื่นไปข้างหน้าให้ป้ากูให้เลือกจะเอาทองหรือเอานาคป้าก็เลยตอบหนูไม่อยากได้ป้าเล่าให้ตาฟังตาบอกว่าโชคดีแล้วที่มึงไม่ใช่คนโลภไม่งั้นนะมึงเป็นทาญาตมันแน่ คุณผู้ฟังจำตาส่งได้ไหมคะตาส่งที่เคยอาสามานอนเขาก็ได้เสียชีวิตหลังจากนั้นเจวันไม่มีใครทราบสาเหตุส่วนคนในบ้านตอนนี้ก็ปลอดภัยดีทุกคนนะคะยายเคยไปดูดวงเพราะว่ากลัวปอบมันจะกลับมากินอีกหมอดูก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ายายมีตะกรุดที่ตาให้ไว้พกติดตลอดเวลาส่วนตัวของแม่แล้วก็คนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่ามีจะแม่กวนอิมคุ้มครองอยู่ เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่คุณผู้ฟังเข้ามารับฟังเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะักแต่สําหรับครอบครัวผู้ประสบเหตุนี้มานี่เขาบอกว่าน่ากลัวจริงๆอยู่ด้วยความหวาดระแวงนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยหากว่าจุดไหนที่พิมพ์ตกหล่นไปนะคะขอบคุณสําหรับเจ้าของกระทู้นี้นะคะสอง0ก้าจากเว็บไซต์พันทิปดอดคอมค่ะ เรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี่เองค่ะในช่วงเดือนมกราคมปี2560คือเจ้าของเรื่องกับเพื่อนเนี่ยก็มีนัดกันไปสังสรรค์ที่ต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆนะคะโดยครั้งนี้ก็ไปกันที่จังหวัดระยองครั้งนี้ก็เจ้าของเรื่องนะะให้คุณโต้ซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าของเรื่องเนี่ยเป็นคนทำเรื่องจองแล้วก็จัดหาที่พักพอถึงวันที่จะไปทริปกับเพื่อนๆก่อนจะไปแม่ก็พูดขึ้นมาบอก วันนี้แม่ตากระตุกแต่เช้าเลยแล้วก็รู้สึกแปลกๆนี่เราจะไปเที่ยวกันไกลใส่พระบ้างไหมเนี่ยโอ้ยใส่ตลอดแหละแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคุณผู้ฟังคะเจ้าของเรื่องบอกแต่จริงๆแล้วสร้อยพระเนี่ยลืมไว้ที่ห้องเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าของเรื่องกับเพื่อนก็ออกเดินทางกันตามปกติค่ะทริปนี้ก็คืออยากแวะตรงไหนอยากทำอะไรจัดเลยตามที่ต้องการจนเริ่มตกเย็น ทุกคนก็เข้าที่พักกันและครั้งนี้ที่พักที่ไปพักนั้นเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับบังกะโลมีที่เล็กๆให้ปิ้งย่างกันอยู่ด้านหน้าที่พั ก, ก น, นะคะในช่วงที่เจ้าของเรื่องกับเพื่อนเนี่ยเดินเข้าที่พักก็สังเกตเห็นถึงห้องพักข้างๆว่าเอ้ยวันนี้ไม่มีใครเช่าพักเลยเหรอเพราะว่ามันเงียบแล้วก็ไม่เห็นมีคนเลยที่สําคัญนะคือห้องพักของเรานี่มันอยู่ลึกมากเกือบจะเป็นหลังสุดท้ายเลยก็ว่าได้ ก็เก็บความสงสัยไว้ในใจก็คงคิดแค่ว่าโต้ที่เป็นคนจัดการเรื่องห้องพักเนี่ยน่าจะไปบอกเจ้าของห้องเพราะว่ากลุ่มนี้ชอบเสียงดังกันเดี๋ยวคนอื่นราคาญเจ้าของเขาก็เลยจัดที่พักที่ห่างไกลคนให้พอตกดึกค่ะก็สั่งสรรเฮฮากันตามปกติตามประษาวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็ต้องมีแบบแอลกอฮอล์ alcohol, มีอะไรอย่างนี้แน่นอนสักพักหนึ่งโต้ก็พูดว่าพวกมึงคิดว่าที่นี่มีผีป่ะวะโออโต้ ปากมึงนี่เฮี้ยกแล้วนะกูนี่เกลียดมึงจริงๆเลยเมาแล้วปากหมาคุณเปิลค่ะแฟนของเพื่อนในกลุ่มเนี่ยพูดสวนขึ้นแล้วเปิลก็เดินออกไปตรงที่กลุ่มเตาปิ้งแทนมึงก็ชอบไปกวนตีนไอเปิ้ลมันมึงก็รู้ว่าแม่งกลัวผีตายห่าเจ้าของเรื่องพูดต่อพร้อมกับที่โต้เนี่ยกาลังหัวเราะกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะคืนนั้นก็นั่งกินกันเรื่อยเปยื่อยจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆโซดาและก็กับแกล้มก็เริ่มหมด โต้แล้วก็เพื่อนอีกคนก็เลยอาสาจะไปซื้อให้นะคะพอโต้แล้วก็เพื่อนอีกคนกําลังจะเดินไปขึ้นรถค่ะเพื่อที่จะออกไปซื้อของอยู่ๆก็ได้ยินเสียงลั่นเลยน ะ, ะเสียงดังลั่นเลยบอกเฮียผีหลอกเสียงตะโกนลั่นขึ้นมาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็พากันวิ่งไปในจุดที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเสียงเนี่ยก็หัวเราะบอกพวกมึงโดนกูหลอกอีกแล้วเสียงนี้ดังขึ้นค่ะเมื่อทุกคน อยู่ที่บ้านพักวิ่งมาดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่มันกลับยืนหัวเราะ อ, อยู่กับเพื่อนอีกคนนึงพร้อมกับพูดผีหาไลไรไม่มีหรอกถ้ามีอ่ะเป็นผีผู้หญิงนะกูจับปล้ำแม่งเลยหลังจากนั้นคุณผู้ฟังทุกคนก็ลุมด่าคนนี้แล้วก็เดินกลับบ้านพักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สังสรรค์กันจนเสร็จก็เข้าที่พักกันโดยในที่พักนี่เป็นห้องรวมคือทุกคนนอนอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยนะประมาณตีสามน่าจะได้ อยู่ดีๆเจ้าของเรื่องก็รู้สึกตัวแปลกๆขึ้นมาคือรู้สึกแบบเหมือนมันมีอะไรจนต้องลืมตาขึ้นมาและสิ่งที่เห็นคือมีผู้หญิงนั่งคร่อมอยู่บนหัวไอโต้ในขณะที่ไอโต้เหมือนพยายามจะพูดแต่พูดแบบไม่มีเสียงคือน้ําตามันไหลออกมาเยอะจนหน้าตกใจและด้วยความตกใจก็เลยเอามือไปจับที่คอจะเอาสร้อยไปให้มันเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีเพราะว่าเห็นผีมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าครั้งนี้กลับนึกขึ้นได้ว่าเอ้าลืมสร้อยพระมา ก็เลยจะสวดมนต์และก็แผ่ส่วนกุศลไปให้เขาพอหลับตาลงปุ๊บมีเสียงพูดปับ๊บกูไม่เอาบุญแต่กูจะเอาเพื่อนมึงไปอยู่ด้วยตอนนั้นละค่ะรู้สึกตกใจมากถึงแม้จะเคยชินกับเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กนะแต่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประจันหน้าขนาดนี้ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันทาให้แทบช็อกเลยก็คือผู้หญิงผมขาวไม่รู้ว่ามีลูกตาหรือเปล่าแต่ รู้สึกว่าตาของเขานี่มันโบแล้วก็ลึกลงไปเหมือนคนไม่มีลูกกตาคุณผู้ฟังคือผู้หญิงคนนั้นเอาหน้ามาอยู่ใกล้ใกลใกล้ๆเจ้าของเรื่องจนต้องรีบหลบตาของเธอทันทีแต่สิ่งที่ทำให้ต้องช็อกไปกว่านั้นก็คือตอนที่หลบตาไปหันมองที่ด้านข้างเห็นตัวของเธอยังนั่งอยู่บนตัวของไอโตซึ่งเจ้าของเรื่องบอกไอโต้คือเจ้าของเรื่องกับโต้เนี่ยไม่ได้นอนติดกันนะมันมีเพื่อน ห่างกันประมาณ6กคนค่ะนอนขั้นระหว่างโต้กับเจ้าของเรื่องจะเอาเพื่อนผมไปได้ยังไงมันไปทําอะไรให้ในใจก็คิดนะคะเท่านั้นแหละเธอหันกลับมามองที่เจ้าของเรื่องแล้วก็พุ่งหน้ามามองอีกรอบนึงแล้วบอกมันพูดเองไม่ใช่หรอว่าถ้าเจอผีผู้หญิงมันจะจับปล้ำแล้วมึงรู้ไหมว่ามันไปยืนฉี่รูปรถรูปกูตกใจมากเลยทีนี้สิ่งที่เห็นและสิ่งที่ผีตนนี้พูด ก็ได้แต่ยกมือไหว้ปลุกปลกแล้วบอกขอโทษแทนมันด้วยเพื่อนผมมันปากไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีบพามไปทําบุญแล้วก็ไปขอขมาพอพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหายไปหดหัวกลับไปดังเดิมแต่สิ่งที่มันทําให้หูตาสว่างยิ่งกว่านั้นค่ะคือตอนที่เธอค่อยๆหดหัวกลับไปภาพเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปด้วยมีเพียงเสียงที่อยู่ยในหูคือมันยังก้องอยู่บอกมึงอย่าลืมนะเหมือนแอคโคนะฮะไอ้โต่รีบลุกขึ้นแล้ววิ่งมากอด เจ้าของเรื่องยกใหญ่เลยแล้วก็บอกเขาบอกว่าเขาจะเอากูไปอยู่ด้วยมึ่งกูกลัวเสียงสะอึกสะอื้นทําให้สัมผัสได้ถึงความกลัวจริงๆคือมันร้องไห้เสียงดังจนเพื่อนทุกคนตื่นแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังนะคะพอรุ่งเช้าค่ะทุกคนก็รีบพากันไปทําบุญที่วัดในจังหวัดระยองทันทีพร้อมกับให้หลวงพ่อเนี่ยทำพิธีขอขมาต่อดวงวิญญาณที่ได้ไปล่วงเกินไว้หลังจากเสร็จพิธีก็หันไปถามบอกว่า ตรงไหนที่มึงไปยืนฉี่เขาบอกกูเมื่อคืนว่ามึงไปฉี่รดรูปเขาเอตโต้ก็นึกอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็นึกได้ว่ามันบอกว่าตอนที่มันตะโกนบอกว่าผีหลอกจากนั้นมันก็เดินไปฉี่แถวแถวบ้านพักเจ้าของเรื่องแล้วก็เพื่อนก็เลยกลับไปตามหากัน พร้อมกับถามพนักงานแต่ว่าพนักงานบอกไม่รู้เรื่องจริ ง, รงเพราะว่าพวกเธอเพิ่งจะเข้ามาทํางานที่นี่กันใหม่ยกเซตทุกตําแหน่งเลยเพราะว่าที่พักแห่งนี้เนี่ยเจ้าของคนปัจจุบันเนี่ยเขาเซ็งต่อจากเจ้าของเดิมทุกคนก็เลยตัดสินใจค่ะไปถามเจ้าของพักอไปถามที่พักด้านข้างแล้วก็ร้านข้าวแกงแถวนั้นก็เลยได้ความนะคะว่าที่พักแห่งนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ของเศรษฐีเก่าปลูกบ้านเอาไว้มีเพียงผู้หญิงสาวผู้ที่เป็นแม่นี่อยู่ในบ้านหลังนั้นเพียงคนเดียว ะะเพราะว่าเมื่อสามีตายไปลูกๆต่างก็ออกเรือนไม่ได้กลับมาอยู่ที่นั่นกันอีกเลยจนกระทั่งเธอผูกคอตายค่ะลูกของเธอก็เลยทุบบ้านทิ้งแล้วก็ทำเป็นรีสอร์ทขึ้นมาแต่เหมือนจะไปไม่รอดนะคะก็เลยเซ้งต่อให้กับคนอื่นจนมาถึงเจ้าของคนปัจจุบันก็คือคนที่เป็นเจ้าของคนที่4ี่ของรีสอร์ทนี้ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ อีกส่วนหนึ่งได้รับข้อมูลจากยายคนหนึ่งที่นั่งกินข้าวอยู่ในร้านที่กำลังกินอยู่เธอได้ยินคุยกันค่ะเจ้าของร้านเล่าเรื่องรีสอร์ทแห่งนี้ให้ฟังแกก็เลยเดินตรงเข้ามาพูดด้วยแกบอกว่ายายเปียกแกห่วงที่แห่งนี้มากแกเฝ้าอยู่ที่นี่ตลอดศพแกก็ฝังอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นแกชอบเสียงหัวเราะชอบให้คนมาพักมาอยู่แต่ว่าถ้าทาอะไรไม่ดีหรือว่าลบหลู่ก็จะโดนแกหลอกทุกรายไปพอ เพื่อนๆกับเจ้าของเรื่องได้ยินแบบนั้นนะคะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนที่พักเพราะว่าทริปของเรายังเหลืออีก2คืนก็เลยกลับไปเช็คเอาท์แล้วก็หาที่พักใหม่แต่ว่าขณะที่เพื่อนแล้วก็ตัวเจ้าของเรื่องกําลังขนของกลับออกไปไว้ที่รถลูกบอลที่เราเอามาใช้เตะเล่นกันมันดันหลุดมือกลิ้งหลุนหลุนเจ้าของเรื่องก็เลยเดินตามไปเก็บลูกบอลมันไปหยุดอยู่ตรงริมกําแพงบ้านหลังนั้นใกล้กันกับเมื่อคืนที่ ะจะบอกว่าไอโตเนี่ยหลอกผีเพื่อนๆนี่แหละนะคะก็ก้มลงไปเก็บลูกบอลตามปกติก็สังเกตเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นมีการเทปูนทำพื้นใหม่คล้ายกับหลุมศพเพราะมันมีขอบรูปสีคล้ายๆกับหินอ่อนสีดำๆน้ำตาลน้ำตา ล, ต, าลติดอยู่ที่ขอบปูนตรงกำแพงบ้านหลังนั้น แต่พอมองดูรูปนั้นเนี่ยมันมองไม่ชัดเจนเห็นเพียงแค่ขอบบนของภาพและก็ไม่ได้คิดที่จะไปเขี่ยดูด้วยว่ามันคือรูปของใครก็เลยทําการยกมือขึ้นไหวแล้วก็พูดขอขมาทาันเอโต้และก็เพื่อนทุกคนหากพวกผมทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรลงไปก็ขอขมาเยียเปียดด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะใช่แกหรือเปล่า แต่พอหันหลังกลับก็มีลมแรงมาปะทะเขาที่หน้าเ ต, เต็มเหมือนแสดงให้รู้ว่าเขารับรู้แล้วก็คงให้อภัยกับสิ่งที่เอโต้และก็ทุกคนได้ทำลงไปเรียบร้อยแล้วและเรื่องที่เกิดขึ้นก็มีเพียงเท่านี้ส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณแต่ผมขอให้ทุกคนอ่านหรือว่าฟังเพื่อความบันเทิงจะดีกว่า นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาจากเว็บไซต์เรื่องหลอนสยองขวัญ น, นะคะขอบคุณกับการติดตามและฟังค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจําคลิปนี้แล้วนะคะรักกันจริงชอบกันจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามพระเจอผีด้วยนะคะกลับมาเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้บีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ